ก็ขอย้ําเพื่อความเข้าใจข้วาวรนดาแทนพุทธบริษัทว่ารายการนี้เป็นรายการหนีนรกการที่จะหนีนรกได้ก็คือหนึ่งตามคําแนะนําของพระพุทธเจ้าว่าหนึ่งคิดถึงความตายไว้เสมอไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าความตายอาจจะมีในวันนี้ก็ได้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสกี่กับคำนะของเปรสการี ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่วความตายเป็นของเที่ยงท่าหนหลายจงอย่าประมาทในชีวิตคิดว่าจะตายวันนี้ไว้เสมอหลังจากนั้นก็สร้างความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเต็มใจไม่สงสัยในความดีของท่านต่อไปก็ทรงสินให้บริสุทธิ์อย่างนี้บรรดาใต้พุทธบริษัท พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นการหนีนรกได้อย่างดีมากได้ว่าจงอย่าปล่อยอ า, อารมณ์ใจให้ตกใ น, นด้านของความต่ำต้องดึงใจไว้ใ น, นด้านของความดีนั่นคือฝึกสมาธิจิตและปัญญาการฝึกสมาธิจิตปัญดาท่านพุทธบริษัทก็ขอน้อมนำอํำอภิธานสติกมามฐานขึ้นมาก่อน การฝึกสมาธินี่สมาธิแปลว่าการตั้งใจให้จิตใจตั้งไว้ว่าเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจถ้าอยไปทางไหนมาทางไหนเห็นรูปพระพุทธเจ้าที่เขาทําด้วยกระดาษก็ดีแล้วก็าทำได้ฟังเลืกสั่งก็ดีปั้นได้ดิ่งก็ดีปั้นได้ปูนก็ดีรอได้โลหะก็ดีจิตใจพร้อมยอมรับนับถือยกมือไหว้ ถ้าในสถานที่นั้นไม่ควรใ ก, การไหว้พระคณมากเกรงว่าเขาจะติดทินินทาเพราะจิตใจของเรานี้ยังอยู่ในโลกกระทำทั้งแปดแระการคือยังติดอยู่ในลาบแล้วก็มีความเดือดร้อนในการไม่มีลาบลาบเสื่อมไปติดอยู่ในยศเดือดร้อนในการเสื่อมยศยังหวนไวไในคำนินทาพอใจในคำสรรเสริญ พอใจในความสุขไม่พอใจในความทุกข์ธรรมดายของชาวโลกเป็นอย่างนี้ตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่านาทิโลเก อ, อนินทโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกแ้วเราก็รู้แล้วแต่ว่ายังหวั่นไหวอยู่ในเมื่อจิตยังหวั่นไหวอยู่ก็อย่าฝืนสังคมห น, นักนะถ้าสังคมนั่นเข้ามายกมือไหวเราก็ไม่ไหวก็ได้ แต่ใจพร้อมยอมรับนับถือด้วยความเคารพจริงได้จริงความจริงใจถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ได้ถือว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแน่เป็นผู้ยอมรับนบถือพระพุทธเจ้าแน่ในตอนที่เจ็ดได้ว่าพูดมาถึงวิธีปฏิบัติให้จิตเป็นสมาธิให้ใช้กำลังและเวลาเพียงไม่มาก กำลังนี่จงอย่าให้เครียดปัญดาแทนพุทธบริษัทถ้าเครียดเกินไปไร้ผลต้นเชื่อองค์สมเด็จพระทศพุธคุคือพระพุทธเจา้าถ้าว่าย่อหย่อนเกินไปก็ไร้ผลอีกคำว่ากรรมสุขานิการในโยกท่านแปลว่าย่อหย่อนแต่ความจริงการมแปลว่าความใคร่เพราะเวลาที่ภาวนาไปพิจารณาไปนึกถึงไป เลยเกิดอยากจะได้สมาธิขั้นนั้นยากได้ชานขั้นนี้ในเวลานั้น <c oughs> อารมณ์พุ่งช่านก็เกิดไม่เกิดผลใช้ไม่ได้อีกต้องทําใจแบบส บ, บายๆให้อารมณ์เป็นสุขให้ความสุขมันหมดไปไม่ได้ความหวั่นไหวไม่ได้ความฟุ้งซ่านแล้วก็เลิกเสียก็มดเรื่องหมดราทําเอาแกกันแค่มีกําไรอย่าทําให้มันขาดทุนอย่าฟื้น แต่ใครก็บอกว่าอีตาแก่คนนี้แกสอนให้คนขี้เกียจอาตมาก็ยอมรับได้บอกมาแล้วแต่ละตอนที่เจ็ดว่าถ้าขี้เกียจทําน้อยๆจะได้ผลมากในเอาก็ยังมีวิธีวิธีหนึ่งที่วันดาท่านครูบาอาจารย์หลายผู้ทรงคุณพิเศษจริงๆอาตมาต้องขอยอมรับว่าท่านดีสอนมานั้นทรงคุณพิเศษจริงๆ ถามว่าทราบได้ยังไงก็ต้องตอบว่าทราบด้วยกําลังใจของท่านแต่การที่แตนึกในใจอาตมาไม่รู้เรื่องแต่ที่ทีท่านแสดงออกมาทางกายทางวาจาสิอย่างนี้รู้เรื่องเพราะคนยาตมาไม่ใช่คนได้เจตวิยญาณขั้นวิเศษวิโสหรือว่านึกหน่อยอาจจะยังไม่ได้ก็ได้ นันก็หมายความว่ายังไม่ได้ดีพอที่รู้ใจคนแต่เวลานั้นเรานึกอะไรไม่ได้เลยอาตมานึกเรื่องอะไรขึ้นมาท้าพูดเรื่องนั้นทันทีทั้งทั้งที่ยังไม่ออกจากวากคือว่าท่านคุยกับคนอื่นอาตมานึกภาพเรื่องนี้ขึ้นมาท่านหันมาพูดเรื่องนั้นทันทีอย่างนี้ต้องยอมรับว่าท่านมียานพิเศษจริง แต่ท่านจะเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าก็ไม่จําเป็นต้องพิสูจน์กันจะต้องไปพิสูจน์กันทำไม่คนรู้ในขั้นนั้นแล้วรู้จิตใจกันขั้นนั้นแล้วไม่ต้องพิสูจน์เป็นพระอรหันต์หรือเปล่าท่านจะเป็นหรือไม่เป็นในเมื่อท่านรู้อารมณ์คิดก็แสดงว่าจิตละเอียดมากจิตถ้ามีความสะอาดมากแล้วก็ยอมรับทละผิดพระประเภทนี้อจตมาเมื่อหนุม่มๆบทใหม่ๆ ระยะนั้นพบหลายองค์แต่และองค์ก็มีการแนะนําเสมออย่างเดียวกันนั่นก็คือว่าเวลาตอนหัวค่ําแต่บอกว่าตอนหักค่ำใ น, นอย่ากขยันมากนักการนึกถึงพระพุทธเจ้านึกเวลาไหนก็ได้ไม่ห้ามเวลาถ่ายอุจาระปัสสาวะก็นึกถึงได้ไม่เป็นไรเรื่องตอนนี้จะบรรดาแต่พุทธบริษัท เมื่อจะมาฝึกใหม่ๆท่านรุ่นพี่ท่านเคยแนะนําว่าเวลาไปถ่ายอจาระก็ดีว่าเป็นการปรามาตสกับพุทธเจ้าความจริงรุ่นพี่ท่านไม่ได้ฉชนดจริงไปเจอพระที่มีความสําคัญจริงๆที่กขบอกว่าภาวนาได้นึกถึงได้ทุกเวลาเจอถ่ายอจาระปัสสาวะจะเดินไปเดินมาอย่างนี้ก็ใช้ได้ยิ่งดีใหญ่ เื่องบอกว่าถ้าเวลาเราจะตายเวลาถ่ายอจจา ร, ระปัสสาวะจะทำยังไงถ้าปล่อยว่างตอนนั้นกำลังใจเราเกิดฟุ้งซ่านไปถึงด้านอากุศลก็จะพาให้ใจของตนและอธิศมานกายของตนลงะรกไปท่านแนะนำดีแต่ก <c oughs> ันแนะนำด้านไอ้กอากกำไรท่านบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยเราต้องปฏิบัติให้มันง่ายๆ แล้วได้กําไรสูงสงูนักค้ากําไรจะไม่เกินควรถ้าเกินคนนั่นหมายความคิดต้องการกําไรเลยนิพพานนี่เกินคนแน่ถ้าเป็นมนุษย์ต้องการนิพพานยังไม่เป็นการค้ากําไรเกินควรเพราะว่ามนุษย์ทุกคนจะพบจุดความสุขจริงๆก็คือที่นิพพานยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดจะถือว่ามีความสุขจริงจันั้นไม่ได้ การอากรรไรแท้บอกว่าอย่างนี้เวลาขวค่ำอย่าลืมว่าเราเหนื่อยมากเหนื่อยตั้งแต่ตื่นใหม่ๆหม่พอตื่นขึ้นมากายไม่ทำงานแต่ใจมันคิดแล้วพอถึงเวลาค่ำร่างกายอยากพักผ่อนเพราะเหนื่อยมามากถ้าเราไปเคร่งเครียดตอนนั้นจะลำบากผลดีจะไม่เกิด ไห้ร่างกายมันจะพักความง่วงมันก็เกิดเราก็จะฝืนความง่วงคิดว่าเวลานี้ต้องทําใช้เวลาเท่านั้นใช้เวลาเท่านี้อารมณ์จิตก็จะเกิดไม่ส่งตัวเมื่อความง่วงเข้ามาครอบงำความดีก็ไม่เกิดการนึกถึงอะไรจริงจก็ไม่มีที่ก็แนะนําว่าถ้าทําไปจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีจะยืนก็ดีจะเดินก็ดีการจเจริญสมาธิหรือวิปัสสนาญาณ ไม่ใช่นั่งอย่างเดียวนั่งนอนยืนเดินใช้ได้ถ้าอยู่ตาลําพังจะนั่งแบบไหนนั่งเก้าอี้นั่งคาตามาต์นั่งพับเทียบนันเหยื้อคานั่ ง, งห้อยเท้าได้ทุกอย่างนอนก็ได้เองกายก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้เดินให้ได้โจ่งครมเป็นว่าทําได้ทุกดิยาบทแต่ถ้าบังเอิญเกิดความเคลียความ่วงขึ้นมา แล้วบอกจงอย่าฝืนนอนเลยนอนแล้วจับลมหายใจเข้าออกจับคำภาวนาเพียงเท่านี้ถ้าภาวนาให้หลับไปถ้าขันนาใดถ้าจิตยังไม่ถึงฌานจิตมันจะยังไม่หลับถ้าจิตถึงฌามนมาลายะตัดหลับทันทีแล้วถ้าบอกว่าเราหลับไปกี่ชั่วโมง ท่านถือว่าเป็นการทรงฌานนั้นทรงฌานนั้นตลอดเวลาที่เราหลับจึงก่อจะตึ่นถ้าตายไปในเวลาหลับจะมีผลต่างกำลังฌานทันทีนั่นคือตกนกไปได้แล้วข้อนี้บรรดาเต็มพุทธบริษัทโปรดทราบว่าขั้นของสัโยอดสามทำอะไรไม่หนักถ้ามีกำลังใจแค่ปฐมฌานใช้ได้ สมาธิไม่สูงเลยคำว่าปฐมฌานท่านเป็นเครื่องสังเกตก็คือว่าขณะที่ภาวนาอยู่ก็ดีหรือพิจารณาอยู่ก็ดีรู้ลมหายใจเขาออกก็ตามในตอนนั้นหูเราได้ยินเสียงภายนอกทุกอย่างได้ยินชัดเจนจแจ่มใสต่างกำลังที่เ็าส่งเสียงกัน ในขนาดนั้นเราสามารถภาวนาก็ได้พิจรารณาก็ได้ไม่รำคาญในเสียงอย่างนี้ท่านเรียกว่าธรรมชาตไม่มีอะไรหนักนี่เป็นวิธีหนึ่งที่เป็นวิธีเบาๆนี่นก็การเจริญพุทธานุตติกรรมฐานนี่บรรดาแต่พุทธบริษัทถ้าใช้กำลังใจจับพระรูปประโขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จะเป็นการดีมาก แต่ว่าท่านที่จะทำอยางนี้ได้เฉพาะที่ท่านได้ทิพยคุายาณในหลักสูตรของวิชาสามเท่านั้นกับหลักสูตรของอภิญญาถ้าได้มโนวิธิซึ่งมีทิพยคุายาณอยู่ด้วยยิ่งจะทําได้ถ้าเราไม่ได้หมวดสองหมวดนี้ก็ใช้จักรูปขพระพุธรูปตามที่กล่าบมาแล้วในตอนต้นคือตอนที่เจ็ด ตอนนี้ก็มาคุยกันการแนะนําเอาไว้แค่นี้พอทําแค่นี้พอถ้าถามว่าทํานิดๆหน่อยจะมีในสงหรือจงอมจะลืมว่าทำครั้งละนิดครั้งละหน่อยทำครั้งละน้อยสองสามนาทีย่อมมีอนันในส์ขณะที่เราทําจิตไปสมาธิเมื่อไหร่เวลานั้นจิตว่างจากกิเลสทันทีพระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคลใด ทำจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งเป็งกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีจิตไม่ว่างจากชานความดียาสสะสมตัวอยู่เสมอถ้าถามว่าคนที่ทำความดีวันเล็กวันน้อยตายแล้วจะมีอานิสงส์อย่างไรจะมีผลเป็นประการใดความจริงเรื่องราวในพระพุทธศาสนาก็มีมาก แต่วันนี้ต้องขอพระทานอภัยกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในฐานะที่จะ <c oughs> มาต้องซ้อมตายมาหลายวาระการตายที่มันตายจริงๆไม่เคยซ้อมแต่ตายได้กลับฟื้นคือขึ้นมาของพระทานอภัยดืนน่มน้ํานี้่เองไม่กลับฟื้นขึ้นมาย่อมมีผลในการตายครั้งนั้นนั้ <c oughs> ขอความตายตอนต้นมาคุยกันแล้เวลาสักประมาณสิบสี่นาทีท่านนั่นหลายจะได้ทราบว่าการนึกถึงพระพุทธเจ้าวันละเล็กวันละน้อยทุกๆุกวันย่อมเมเนสงอาตมาเองเมื่อสมัยที่เป็นเด็กต้องถือว่าพอจำความได้ท่านแม่ก็บอกให้ภาวนาวาพุทโธ แต่การภาวนาของเด็กไม่มีอะไรจริงจังถ้านึกในใจท่านถือว่าไม่ได้ภาวนาตามที่ท่านสัง่งต้องภาวนาให้ท่านได้ยินคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้สามครั้งเท่านี้ท่านบอกใช้ได้หับได้ต่อไปนึกยังไงก็ไม่ว่าวันอนลงไปพับต้องมาคับเอาภาวนาพุทโธให้แม่ฟัง อาแต่มาเป็นเด็กไม่ภาวนาก็ไม่ได้เราก็เครื่องลงอาญาอยู่ใกล้ท่านคือไม่เร็วแต่คืนขัดคำสั่งเดี๋ยวไม่เร็วก็วิ่งมาแล้วไอ้เจ้าไม่เร็วเนี่ยมันก็แปลกมันปฏิบัติตามคำสั่งของมือของท่านเด็กขาดทันทีทันใดไอ้การกลัวํารมกลัวใครก็าบอกกลัวไม่เร็วไม่กลัวแม่ แม่จริงๆไม่น่ากลัวถ้าไม่เดียวน่ากลัวมากถ้าวันไหนเบอร์เอินนอนหลับไปก่อนไม่ได้ภาวนาว่าพุทโธท่านฟังหรือว่าจะว่าพุทโธแต่ว่าดังหรือไม่ดังก็าตามท่านไม่ได้ยินเบอร์เอินเข้าที่นอนก่อนท่านแล้วก็หลับไปเข้าไปแล้วท่านจะตลกให้ตื่นให้มาภาวนาว่าพุทโธก่อน ก่อนจะหลับนี่ต้องภาวนาพุโทโธก่อนเราจะบอกว่าพุทธว่าแล้วคุณแม่ทําไมไม่รับฟังบอกต้องว่าเดี๋วนี้นอนว่าทั้งท่านเองว่าพุโทโธพุโทโธพุทโธก็ไม่ใช่พุโทโธเปนไกลปไปพุทโธไปท่านก็ไม่ว่าอะไรหลับก็หลับไปอาศัยอย่างนี้จนถ้าเป็นเด็กตัวอายุสิบปีเสร็แต่เมื่อมาโตขึ้นมาหน่อยเกิดกลายกลัวผี ไอ้ผีเนี่ยจะมากลัวจริงๆเคยเห็นผีบ้างแล้วเปล่าก็จาไม่คยได้นักตอนเป็นเด็กแต่ความรู้สึกมันกลัวมากถ้ามีใครก็าเพาศพกันที่ไหนถ้ามีบีผาดไียินเสียงแต่พลมอนก็ดีหรือตีกรองประคมศพกด็ดีตอนนั้นนอนไม่ได้แล้วคนเดียวนั่นนอนไม่ได้ต้องหาเพื่อนนอน เวลาจะนอนก็ตาต่างหาอะไรมาทับทับตีนมุงกุดล่องเกลรงว่าผีจะลอดจากร่องขึ้นมาบ้างเกรงว่าผีจะลอดมุงเข้ามาบ้างเอาเรามาทับตีนมุงเขไว้ความกลัวมันกลัวขนาดนี้นถ้าเวลากลาง ว, วันเข้าห้องเข้าห้อง ข, าข้างในข้อในห้องอะ่ะเขาใช้งานไปหยิบอะไรในห้องก็ตามก็ยังกลัวผีตอนกลาง ว, วัน ทั้งทั้งที่ผู้ใหญ่นั่งอยู่ข้างนอกก็ยังกลัวเวลาปรหยิบของแล้วเวลาเดินออกไม่เอาหน้าออกเอาหลังออกถอยหลังมหาประตูเกรงว่าผีจะมาจับหลังในเมื่อท่านแม่เตืนบอ ก, กว่าถ้ากลัวผีอย่างนี้ปกติผีนี่กลัวคำมโมโฑคือกลัวพระพุทธเจ้า เป็นอนุนวาดในเมื่อท่านบอกท่านก็เลยบอกว่าต่อ น, นี้ไปท่านนึกถึงความกลัวเกิดขึ้นมาอะไรให้ภาวนาวัพุโทโธทันทีถ้าอย่างนี้ผีอย่าไปไกลแสนไกลให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนว่าขอบา ร, รมีของพสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงช่วยกำจัดผีไปให้ไกลแสนไกลและภาวนาวัพุโทโธในเมื่อความกลัวเกิดขึ้นมาอะไรก็ภาวนาวัพุโทโธ อ้าความไม่กลัวไม่เกิดขึ้นก็ไม่ภาวนาพระพุธทธองค์ญาติโยมฟังตอนนี้แล้วก็จำไปด้นะว่าแต่มาตอนเด็กไม่มีอะไรจริงจังกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นเรื่องแปลกตอนมาบทแล้วถีงเข้าใจชัดตอนที่บทใหม่ๆพันสารแรกอยู่กับหลวงพ่อปานคืนวันหนึ่งลูกก็มาเช้ามุดเจริญพระกรรมฐ า, าน เช้ามืก็ตอนตีสองก่อนหน้าตีสองนี่ต้องตื่นแบบนั้นทุกวันเวลานี้ก็ยังตื่นไปแบบนั้นเป็นปกติเพราะชินกับเวลาการตื่นเวลาตีสองก่อนหน้าตีสองประมาณครึ่งชั่วโมงตื่นก็ได้๋ยวตีหนึ่งครึ่งถ้วเกินไปบ้างล้างหน้าล้างตาเสร็จทำบ้าสมดมรณ์เสร็จถึงเวลา 2, ตีสองต่ลุกขึ้นจเจริญพระกรรมฐาน คือมันนั่งไปกปรรมฐานภาวนาตามอธัธยาศัยมาวันหนึ่งพอตื่นขึ้นมาเปิดหน้าต่างจะลางหน้าเห็นผีไม่มีหัวมันโดดใช่ไมมเมีย โ, โอ้โหเยอะแยะจำนวนทั้งสองรอยคนกว่าโดดที่ชานตึงตัง ค, งคมคาำก็มองหูอะไรกันแน่เห็นว่าผีไม่มีหัวท่างนั้นก็เลยสงสัยตอนนั้นจิตความกลัวไม่เกิดไม่เกิดขึ้น ไอ้พวกนี้ไม่มีหัวทําไมโดดได้เลิกล้างหน้ามาสวดมนต์ ม, มาไหว้พระสวดมนต์มันก็โดดกรรมฐ า, ามมาโดดในกุฏินั่งกรรมฐ า, านมันก็โดดไกลๆก็ช่างมันใจสบายพอถึงตีสี่เลิกพระพระลุกขสวดมนต์ตอนนั้นไปนอนเจ้าผีตัวหนึ่งโดดเข้ามาคลำ อ, อกก็ตักตั้งใจจะเอามือขวาหยิบไม้หยิบ ไหว้ตีผีตีมันมันก็กดมือขวาไวเพราะจะมือท้ายหยิบมันก็กดมือซ้ายไว้กดแขนซ้ายไว้เจ้าว่ายังไงมันก็ว่าตามว่ากระถาขับผีเพราะว่าไปจบมันบอกว่ากูไม่กลัวว่าอีบทหนึ่งมันบอกบทนี้เหมือนได้ครึ่งเดียวมันเลยว่าต่ออีครึ่งมันได้ว่าผีคนนี้เรียนมามาก ตอนไปก็หมดท่าไม่รู้จะทำแบบไหนก็เลยนึกในใจว่าโอหนอโลกนี้ไม่มีใครดีกว่าพระพุทธเจ้ามนุษย์ก็ดีเทวาดาก็ดีพระก็ดีเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทั้งหมดไม่มีใครเหนือท่านนึกถึงบารมีของพระพุทธเจ้าค่อยช่วยกำจัดผีตัวนี้แล้วนึกภาวนานในใจว่าพุทโธแล้วเป่าพรวดเดียวเจ้าผีก็โดดหกวกมะเกงแก้โดดวิง่งหนีไปเลย นี่รำดาท่านพุทธบริษัทความจริงท่านแม่บอกสมัยเป็นเด็กๆจะว่าท่านหลอกเขาไม่ได้ผลมากรดปรากฏสมัยมาบวทพรรษาแรกแล้วมาว่าถึงผลอีกผลหนึ่งต่อมาอายุสิเปีเศษๆก็เกิดเป็นโรคอหิวาตายกับเขาแล้วตอนเด้โรคอหิวาใหม่ๆร่อมเติมท้องเดินใหม่ๆ ท่านแม่ก็ภาวนาว่าพุโทโธแต่ท่านอาพุธรูปมาตั้งให้เห็นแล้วท่านมองดูพระพุธทธรูปแล้วว่าภาวนาว่าพุทโธพระพุทธเจ้าจะช่วยหายโรคมันเจ็บเป็นเสียดท้องหรือเกิดมันเจ็บท้องมากท้องถ่ายก็เพียมีความร้อนสูงพอถ่ายสามครั้งก็เริ่มจะหมดสติหมดแรง หมดแรงเดสติอย่างดีใจก็ภาวนาพระพุทธโธตอนนี้เลื่มตาก็ไม่ค่อยจะไหวกายขยับไม่ไหวใจก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปคิดว่าขอพระพุทธเจ้าโปรดช่วยหายโรคดีเถอดเห็นจะเป็นแบบเดียวกับมัตต์กุณดาลีเทพบุตรภาวนาไปพาวนาไปเห็นภาพพระพุทธรูปตัว น, นี้หลับตาแล้วไม่อยากเลื่มตา เป็นภาพรูปลอยข้างหน้าสายเจ๋วสายสะอาดมากเหลืองอาร่ามพรณนาไปพาวาไปพระพรูปใหญ่ขึ้นมาทุกทีทุกทีคนที่สุดก็กลายเป็นพระสงฆ์แต่ ว, ว่าสวยงามมากยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นตอนนี้ร่างกายไม่รู้สึกทุกขเวทนาเออโมไปสนใจความสวยของพระพุทธเจ้าเสีย ตอนนั่นเองจิตออกจากร่างที่เรียกว่าทิสมานกายเมื่อจิตมันออกจากร่างไปก็ปเป็นคนแต่ไม่ใช่คนปกติเป็นคนผิดปกติไอ้คนผิดปกติเขาเรียกคนบ้าหราือเปล่าผมไม่ทราบเนื้อเป็นแก้วเมื่อนิสัยเป็นแก้วสวยจริงๆรับพื้นเสื้อก็ดีกางเกงก็ดีมีชดา ด, ด้วยเป็นทองคำทั้งหมด แล้วก็เนือทองคําผิวทองคําทั้งหมดเพราะดับไปราะทิพย์แปลวราปัญญะเป็นเพชย์สเป็นใ บ, บกายมากสวยมากร่างกายทั้งหมดจะยกแขนยกขาขึ้นมายังไงก็ตามีมันเบาหมดจะยกย่างไปตรงไหนมันเบาหมดร่างกายไม่ใเฉยมันมันลอยลอยมันเบาเหมือนก็นุ่นปลิวลมตอนนั้นก็ไปหาท่านแม่บาไปหาท่านลวงบางเรียกใครก็ไม่มีใครสนใจ ทุกคนก็นั่งมองแต่ศพที่ตายอยู่ตอนนี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทก็ผู้รับฟังอาจจะสงสัยถามว่าชิดยดายร่างกายไหมก็ต้องตอบว่าเวลานั้นไม่รู้สึกเสียดายเลยไม่อยากได้มันด้วยมันสุกกรกเบิดอเกินมันมีแต่ความสุกกระเมีแต่ความเศร้าหมองมาดูกายใหม่มันสวยมาก ขนาดเนื้อเป็นแก้วสายเจ้าพื้นทั้งหมดของผ้าเสื้อกางเกงมันเป็นทองคําทั้งหมดเรื่องประดับประดาสวยส ด, สดงามแล้วประดับไปด้เพชรเพชรนี่เต็มไปหมดผ้ายาวขนาดไหนเพชรประดับเต็มขนาดนั้นไม่เห็นเนื้อทองของเสื้อผ้าเลยในเมื่อไม่มีใครสนใจก็ไป ย, ยืนอยู่หลังบ้านคิดว่าจะยืนเที่ยวหลังบ้านยังไม่คิดจะไปไหน เห็นคนเดินกันมาประมาณสองร้อยคนมีคนหน้าสูงใหญ่มากคนทุกคนที่ตามมาหัวแค่เอวบบ้างไม่ถึงเอวบ้างแล้วมีสองคนขนาดกลางมีคนไทยมีคนหลังหนึ่งคนเวลาบันเหลือน้อยบรรดาเท่มพุทธบริษัทก็ถามคนหน้าวันลุงจะไปไหนครับเขาก็กางตำราออกมาเปิดพับเขาบอกหลานไม่อยู่ในบัญชี ไปกับลุงไม่ได้กลับเขาบานเสียอาแต่มาก็นึกแต่ใจอาแต่ลุงนีบ่าถามว่าไปไหนดันบอกเขาไม่มีในบัญชีแกเยบบอกเราว่าไปไหนสักคาก็ไม่บอกต่อมากถามคนตรงกลางตนหลังก็ก็พูดเหมือนกันก็เลยปล่อยเขาเดินไกลไปประมาณสักหนึ่งกิโลก็เดินตามไปเรื่อยๆ มันไม่รู้สึกหน่อยเขาเข้าป่าขึ้นเขาลงเขาไปแต่เข้าป่าดำมอกไปเรื่อยๆพอถึงป่าสูงใหญ่เขาก็เกิดสมดวจคนด้านท้งด้านโน้นเป็นนรกยืนญยู่บนยอดเขาเห็นสำนักของมวายายมมีอาคารสามหลังและมีคนประเภทเป็นมนุษย์เรายืนเป็นกลุ่มๆ ก, กลุ่มประมาณร้อยคนบ้างเกินร้อยเกินร้อยคนบ้างมีคนตัวใหญ่ๆแบบนั้นทีคอนบ้างทีอหอกบ้างทีอก็บอกมาคุมอยู่กลุ่มละคน ถามท่านลวงว่าที่นั่นแดนอะไรท่านบอกว่าที่นั่นเป็นสำนักของพญายมภาพคนที่เห็นนั่นเคยไปจากนรกให้ไปเกิดแล้วกลับไม่ทำความดีเขาจับนำมาลงโทษใหม่เห็นคนเดินออกมาจากสำนักพญายมท่านบอกนั่นพญายมตัดสินแล้วต้องไปสู่นรกชี้เป็นในนดั้งหน้าไกลามากแต่ว่าเป็นทะเลเพลิงจับทองฟ้า ท่านบอกโน่นเอาไปที่โน่นถามได้บอกว่าผมอยากจะลงไปดูได้างมั่งได้ไหมท่านบอกไม่ได้หลานคนที่ภาวนาด้วยพจน์โทเรือ่องหลางก็ตามหรือภาวนาว่ายังไงก็ตามถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เป็นปกติคนประเภทนี้ลงไปในแดนนั้นไม่ได้ถ้าลงปล่อยลงไปลงมีโทษจะต้องถูกทําโทษขอย ห, หลางกลับ ต่านก็นแนะนำว่าทีหลังถ้าต้องการจะรู้อะไรนึกถึงหลุงและมาที่นี่หลุงย่อยดูทุกอย่างก็เป็นความจริงที่หลังพอนึกพับก็ไปถึงที่นั่นทันทีนึกถึงหลงหลุงก็มาถึงอยากดูนรกลุงให้ดูนรกอยากดูนางฟ้าเทวดาวิมานท่านเห็นหมดจุกใกล้ๆเป็นนันว่าบรรดาต่าพุทธบริษัทหลายการคำภาวนาว่าพุทโธไม่จะเล็กน้อย ถ้าจิตช่ำชองขึ้นใจประโยชน์มาเป็นอย่างนี้ตกนรกไม่ได้แต่ว่าเวลานิยจะพูดไปก็พูดไม่ไหวบรรดาแรรพุทธบริษัทเพราะเวลาหมดพอดีสำหรับในตอนนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนับมงคลสมบูรณ์คุณผลยงมีแด บ, บันดาแรรพุรทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี